ทรงประชุมสงฆ์แต่งตั้งภิกษุสั่งสอนภิกษุณีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวบัปปคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอแสดงพมีกฐาเพียงเล็กน้อยแก่พวกภิกษุณีและให้บันเวลาผ่านไปด้วยการสนทนาเกี่ยวกับดิรชนกถาแล้วส่งให้กลับจริงหรือพวกภิกษุชาวบัปปคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคพระเจ้าทรงตําหนีว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายขณ น, นพวกเธอจึงแสดงธรรมีกรถาเพียงเล็กน้อยแก่พวกภิกษุณีแล้วให้วันเวลาผ่านไปด้วยการสนทนาเกี่ยวกับเดรัฉานกระถาแล้วส่งให้กลับเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทําอย่างนี้เพ ไ, ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยครั้นทรงตําหนีแล้วได้ทรงแสดงธรรมีกรถาแล้ว จึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุผู้มีคุณสมบัติแอย่างเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีคือ